จริงมันถูกใจเต็มทีแล้วเราไม่รู้จักใจไม่รู้จักหลุกไม่รู้จักรีดนั่นเองคนจะ่าคนอื่นพูดได้ไม่ถูกใจมันพูดหลงความจริงมันถูกใจที่สุดแล้วเกิ่ยว่าตําตึบแน่นอกแน่งใจขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้จักมาถูกใจไม่ถูกใจพูดตามเขามาเท่านั้นเองดังนั้นคนที่พูดอะไไม่ไม่ถูกใจเนั่นคนนั้นพูดผิดหลวงพ่อพูดจริงจริงเอาสมมติเราหลวงพ่อจะจับอันนี้นะไม่ถูกมันก็ไม่ติดนี่พอได้ถูกปุ๊บมันติดเข้ามันทันทีเลยที่คนอื่นพูดให้มา เราไม่พอใจนะแยาไปว่าไม่ถูกใจมันทูกใจเราแล้วสินะชิดทิ้มทนันทีเลยเนี่ท่านว่าอย่า ง, งนั้นอันนี้ก็เหมือนกันคนเนี่ยคืเหมือนกันมีคนมาพูดให้เราเราไม่ได้มองใจเราเลยวิ่งไปเลยก็ตำกันเครื่งทางเนี่มันเป็นอย่างไนตำกันคนใดไม่ดีก็โลมโลงท่านนั่นเองอันนี้จัหวแบ่งทางไว้เขามาข้างซ้ายก็นนยต้องไปข้างขวาเขามาข้างขวาล้วต้องหลบไปข้างซ้ายแยาไปสนกันก็จิตใจก็สบายท่านั้นเองคนตัวอยู่เหนือโลก ทำงานโดยไม่มีทุกข์ทันว่าอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราทุกข์เพราะเรื่องอะไรเพราะเราไม่รู้จักหลบไม่รู้จักหลีกมันทุกข์ใจพอได้ย่างไปก็ต่ํากันชนกันก็เลยมีบาดมีแผลขึ้นมามีรอยล้าวขึ้นมาไม่รู้จักกดไม่รู้จักยาคนเมื่อไม่รู้จักกดไม่รู้จักยาเรือมันก็แตกกลางวังผล ท, ที่สุดน้ำก็ท่วมหัวหายใจแล้วก็ตายไปเลยหลวงพ่อจะพยายามพูดให้พวกเราเข้าใจว่ารีบพายเข้าไปใกล้ๆตะฟัง เรียกายไปคําว่าภายไปกับหมายถึงว่าเด็กจังหวะให้มากเดินจมกองให้มากหลวงพ่อวัอนสอนนคุหมายเด็กจังหวะให้มากเดินจมกองให้มาก้มันรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจญาติไปโรเลคนอื่นจะเล่นก่อสร้างเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราทําความรู้สึกตัวเท่านั้นมันคิดปุ๊บอ่ะแล้วไปเรียกวาอาณาต า, อยอยา ท, ทางธรรมนิทานว่าทุกต้องกําหนดรู้มากําหนดตัวรู้อันนี้นี่แหละสมุทัยต้องละมันคิดขึ้นมาปุ๊บเรามาทําตัวนี้จังหวนมันจะวางของคิดมันโรเลยไม่ได้ปรุงไปเลย มักต้องจเจริญทำมากๆนี่โลดทำให้เยอจะรู้ได้ทุกคนไม่ยกเว้นเลยเรื่องนี้เพราะมันมีในคนดังนั้นจึงว่าทำคมรู้สึกตัวตื่นตัวทำคมรู้สึกใจตื่นใจให้มากการพูดการคุยกันนั้นหลวงพ่อเข้าใจเลยนึกว่าเรียนรู้มามากแล้วีอยู่ที่นี่ถ้าถามเป็นตัวบุคคลนะ่ะหลวงพ่อเข้าใจว่าปริยาณตีนี่คงจะน้อยมาจะเป็นปริยานโทมาะนึกปริยายเอกคนยังมีมากอยู่นะอยู่ที่นี่ พาตสององค์เจ้าก็เหมือนกันคงจะเป็นนักทรมตีนักรมโทนนักรมเอฟเป็นจานันหรือบางคนอาจจะได้เรียนบาลีเป็นมหาประโยคสามประโยคสี่ห้าหกไปกว่ามดังนั้นการพูดการคิดเนี่ยมันไปติดตำลาเลิกซะเลิกคมหลังที่เราจำมานะเลิกเอาวางไว้ก่อนเมื่อเรายังไม่เลิกคมหลังเรายังไปจำคาพูดที่มันมีอยู่ในตาลาตลารา หน้าบรนทัดที่เท่านั้นเท่านี้อันนั้นไปติดอยู่บนออกจากตัวเราไปทั้งหมดเลยมันเลยไม่รู้สึกตัวมันไม่มีสัญญาเข้ามาเลยมันมีสัญญาไปจําตัวหนังสือโน่นหนึ่งอยู่บรรทัดที่เท่านั้นหน้าที่เท่านี้มันไม่ได้เป็นสัญญาณอันนั้นแหละท่านผู้ลูกเราอะวิชาไปว่าไม่รู้เป็นคมลูกของอาวิชาไม่ได้เป็นคมลูกของวิชาอะวิชาไปว่าไม่รู้ วิชาเปรวัลุทธมันตึงคำเดียวมันใกล้กันที่สุดอะแต่ว่าไม่วิชาเปรวัลุทธมันรู้มันไม่ใช่รู้อันหนึ่งมันรู้ออกไปนอกตัวว่าอย่างนี้ก็ได้มันไม่ใช่รู้แต่มันรู้ไปรู้ไม่อยากรู้อะหลวงพอพูดเป็นไม่เป็นรู้ไม่อยากรู้ยคือไม่อยากรู้ตัวเรามันอยากไปรู้นอกตัวเราอย่รู้ไม่อยากรู้สงบไม่อยากสงบมันพูดยากนะพูดให้มันกลับกัน เพราะว่าอยากให้พวกเรากลับเข้ามาหาตัวเราหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังตัวตัวอะไรที่อว่าม้องอยู่บ้านเราหยุด เ, เจเจเห็นว่าอับแก่ตุกแก่จุก แ, ก, ก, แ ก, ก่สอนคนได้สอนปริยยาเอกก็ได้มตุกแก่เนี่ยทาไมไม่รู้เนี่ยทับแก่อับแ ก, บก่มันให้แก้ปัญหาที่เราคิดออกนอกตัวไปมันบอกอย่างนั้นเอ้ยมนุษย์ทำไมเป็นอย่าง น, า น, นั้นนบอกมันฟันแกมันไม่พูดอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่ไหม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 ไม่ว่าคนนั้นคนนี้หลวงก็ก็เหมือนกันเข้าไปในคมคิดคิดไปทั้งวันทั้งคืนบางทีนอนไม่หลับผมนึกว่าตัวเองรู้จักคิดมันไม่เคยรู้จักคิดมันไม่รู้คิดมันไม่รู้มมรรผมคิดคิดลากเราไปโมคิดลากเราไปเหมือนแมวกับหนูเนี่ยหนูตัวโตแมวตัวเล็กๆแก้แมวมันไม่เคยกลัวหนูพราะีจับปุ๊บหนูมันตื่นมันก็วิ่งไปเลยแมวมันไม่ยอมวางหนู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 แมวมันไม่เคยกลัวหนูเลยแต้ตัวเล็กมันก็ไม่เคยกลัวโตมันก็ไม่เคยกลัวพอดีหนูออกมาแมวกระโจนปุ๊บจับอย่างแรงหนูซอกตายคาที่เลยความคิดของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีสัญญาจริงๆแล้วนี่พอดีคิปโหน้าออกมามันจะกบจับปุ๊บผมคิดทะเลยไม่ไปได้เดีวยว๋ยอันนั้นตัวอวิชชาสัญญาตัวนั้นจะไม่ดึงไปแล้วบังง่ดสัญญาเนี่ยให้รู้จักว่าสัญญาเป็นความหมายรู้จําได้ทันวัน อมาแล้วมีเห็นเลยนะสัญญาอันนั้นท่านว่าอย่างนั้นพูดให้ฟังทุกเช้าทุกเย็นทุกเช้าทุกเย็นมันก็ไม่รู้มันไม่ไปคิดกับคิดจังหวะพระวรกลิขิวโบเห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็ไปนั่งเศ้าพระพุทเจ้าจับนั่นจับนี้เป็นคนสำหรับใจพระพุทธเจ้าอยู่เลยนานๆนีพระวรกลิขินี่เหัว่าพระพุทธเจ้าว่าคุมคิดปรุงแตงหนีไปให้คนคุมคิดอันนี้ท่านว่าอย่างนั้นมันคิดไปมันไม่มีเรื่องเลยหนีไป เอาทุ่งไปสิว่าอย่างนั้นก็ได้เลยหนีไปให้คนผมคิดทันเลยอันนี้เราไม่ยอมหนีมาคิดเรื่องอันนั้นคิดเรื่องอันนี้เรารู้อันนั้นนั่นหมาไม่หนีจากผมคิดเด็กก็เลยไม่เห็นพระพุทธเจ้าเลยคนใดไม่เห็นธรรมคนนั้นไม่เห็นพระพุทธเจ้าเลยจะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าก็ซึ่งว่าไม่เห็นพระทเจ้คือไม่เห็นธรรมนั่นเองเราไม่เห็นอันนี้เลยอันนี้แหละธรรมอันนี้เป็นธรรมชนเพื่อมาอันนี้ คำว่าส่วนเปลือกของเซโนองูุโบโบหกส่วนเปลือกมันเอาสมมติเราจะกินต้มเสียหวานเนี่ยปอกเปลือกที่ในคุนตัวเนี่ยนี่จะกินในมันเนี่ยอันนี้ยผมคิดเอาไม่ใช่พูดจริงพูดจริงเอาสมมติให้ดูเนี่ยกมันไม่ติดกินเอาจิ้มไนอันควมคิดบ้าบ้าบบอันนั้นมันไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ามันควมคิดไม่รู้เนี่ยอันนั้นเนีอิษฐาควมคิดขิดบังเราเราอยู่ในถ้าคนมันไม่เห็นรูปทรงของถ้าเนี่ย เมื่อเราออกจากความคิดไม่ได้เราจะไม่รู้รูปทรงของความคิดเลยเมื่อเราออกจากความคิดได้เมื่อใดนั่นแหละเราเห็นรูปทรงของความคิดมันคิดอย่างนั้นออกมันคิดแล้วอันนี้แปลว่าแมวตัวใหญ่แล้วหนูออกมาปุ๊บจับยางแรกหนูก็ตายคาที่เลยพอเดีหนูกออกมาแมวจับปุ c! ตายคาที่เลยแกมันไม่กินเแมวไม่กินหนูก็ต้องจับเพราะมันตรงกันข้ามเนี่ยเรื่องความรู้อันนี้ความคิดอันนั้นมันตรงกันข้ามอยู่เสมอ หลวงพ่อเปรียบให้ฟังคือคนสองคนนอนเหียงกันนะเพื่คนนี้พิกกิงปับ๊บคนนั้นก็นรู้ทันทีคนนี้พิชกิงพนุขมเหลวของผมรู้ตัวนี้เชื่อว่าเหลวเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างทีเดียวเชื่อว่าสามารถที่จะไปใกล้กับการดำเนานได้ทุกวิธีเลยถ้าพระเจ้าสอนคนผู้ที่ไม่รู้นั่นให้รู้ทนายเออคนทู้ที่รู้แล้วไม่ต้องเรียนก็ได้แต่ว่าอันรู้แบบที่อว่า ได้ปริญัติเอกบอกหรือประโยคก้าวเดินทุกแทบจะตาย น, นั้นไม่ใช่รู้นนไม่ใช่รู้แบบที่พระพุทธเจ้ารู้แต่มันรู้แบบนั้นสัญญาแบบนั้นไม่ได้เป็นสัญญาแบบสัญญาพระพุทธเจ้าแต่มันมีสัญญามันมีมีผมโกอยู่เนี่ยเออมีสัญญาแบบโกไม่ได้มีสัญญาแบบศิน <c ười> มีสัญญาแบบไหนจีว่านักมวยเนี่ยไม่ใช่ได้เป็นเซียเปี้ยนเพราะเรียนจากครูิได้เป็นเซมเปี้ยนเพราะขึ้นในเวทีศกเท่านั้นเองพวกเรา มาปฏิบัติธรรมะอยูนี่ก็เช่นกันถ้าไปคุยอยู่แล้วไม่ได้ซกเลยหรือจะเขาสน o c k เอาหัวตีดินอยู่คนละเงยหน้าขึ้นมาเขาซกเอาเอ้ยไม่มีโอกาสที่จะช่วบัดนี้เอาใครจะมาพูดเราเงียยชกมันปุ๊บมันที่จะมายักคุยซกแล้วใส่หลุมตาแล้วไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยไม่ต้องพูดชกใส่หลุมตาทันที่สุดมันก็อยู่คนเดียวได้เลยอันนี้อยู่คนเดียวไม่ได้ก็ต้องไปหาคนอูคุยทานั้นทานนี้ฟังอันนั้นอเนี่ย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 เราได้ยินด้วยหูเราเองเราไปต้องนั่งนิ่งๆคันว่าแม่นั่งนิ่งๆเราจะวิ่งอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ได้มันเหนื่อยเราก็ไปมาเคลื่อนไหวโดยวิธีก็ตามเราก็ต้องมองดูสภาพการเคลื่อนไหวในะจะนั่งนิ่งๆไม่ได้คนเมื่อหยุดนิ่งเมื่อไรก็ต้องตายเมื่อ น, นั้นทันทีเลยอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคนหยุดนิ่งก็หมดลมหายใจก็ต้องตายเมื่อมีลมหายใจยุก็ต้องมีการเคลื่อนไหวจับน้นจับนี้ ดูนั่นดูนี้ฟังโน้นฟังนี้ศึกษากับธรรมชาติมาจริงๆธรรมชาติมันมีให้เราศึกษากับมันจริงๆแต่เราลืมใช่ไลืมธรรมชาติมันใช่ไหก็เลยไปศึกษาแบบใหม่แบบวัสนามไหนการเปิดอบรมครั้งนี้ก็ต้องสอนวิธีนี้เพราะเราลักลักไปใส่ลักเหมือนกับคนหนุม่มคนสาวนะลักงานลักงานลักหน้าที่หน้าที่ของเรามีอะไร ต้องพยายามทำให้สิ่งนั้นลุกลวงไปได้เรียว่าหลักการรักงานเมื่อเราแม่รักการหลักงานการงานก็จะคามือเราไว้ไม่เสร็จไม่สิ้นเป็นค่วมทุกข์ก็ตามมาเรียงานทางโลกนะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเราไปทํางานห้างร้านบริษัทหรือคนทํางานอ่าของรัฐบาลก็เช่นเดียวกันงานหน้าที่จะเสร็จวันนี้เอาพุภูม้จริงทํามันค้างไว้เมื่อต่อมาข้างหน้างานข้างหน้าก็มีมา ก็เลยคางเลยขมทุกขมสับสนวุ่นวายก็ตามมาเมื่อผู้ใหญ่ติเตียนบ่นเนี่ยแล้วก็หาว่าผู้ใหญ่ดุเราเสียจแล้วมันเนี่ยเป็นอย่างนไงแต่ความจริงผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นคนดูเขาดูดูเราทํางานดีไหมหรือไม่ดีเหมาะสมกับงานหรือยังไปสมัครงานนะเมื่อเราไปสมัครงานนั่นน่ะเขาเห็นว่าเรามีความรู้เขาจึงรับเอาไม่ใช่ว่าเราไม่มีความรู้แล้วก็เรียนมาแล้วเนี่ยเป็นยังไง อันนี้ก็เช่นเดียวกันสมมุติเปรียบเทียบให้ฟังอั น, นข้าวมเป็นไทยเนี่ยมันไม่เป็นไทยแท้เลยดนี่มันเปลี่ยนไป <c oughs> มันเปลี่ยนไปค้าวมเป็นไทยที่ยังเหลือน้อยที่สุดเ น, นี่ย ก, การนุ่งการนอนการนั่งก็คลายคลายเกือบจะหมดไปแล้วในปีนะั้นอันนี้ขออภัยพูดให้ฟังตรงๆนะเพราะว่าไหนๆเราก็จะพูดกันแล้วนะแต่จะขออภัยก็ได้ไม่ขออภัยก็ได้บ้านหลวงพ่อ ยังมีความเป็นไทยอยู่มากเป็นความประเพณีอยู่มากผู้หญิงต้องนั่งผระเทียบใส่ผ้าถงุงติดอย่างบ้านหลวงพ่อไม่ค่อยนุงกางเกงนุ่งน้อยแก่สมัยหลวงพ่อมาสอนทําอิดผ้าถุงทั้งนั้นกางเกงไม่ค่อยม่เดือวนี้มีกางเกงขันล่อมเข้าไปแล้วดนห่เสื้อก็ไม่รู้จักว่าเสื้อผู้หญิงเสื้อผู้ชายกางเกงก็ไม่รู้จักว่ากางเกงผู้หญิงกางเกงผู้ชายเพราะมันปน่าปนกันไปหมดเดือนนี้ก็เลยไม่รู้ราคาอันเดียวกันหมดเรื่องนี้จะนํามาเล่าสู่กัน เนี่ยการนุนงการถือบ้านหลวงพอจะเอาไปปาปนกันไม่ได้เขาพูดกันแตหลวงพ่อไม่ได้เห็นรถจาเนี่ยบ้า น, นี้ภรรยากับสามีเนี่ยเวลานอนนะมีเรื่องอะไรก็ต้องนอนไปเป็นธรรมดานะบ้านนี้เขามีหมอหลำ ม, มีหมอหลำก็อยากไปฟังลำด้วยเขาก็เลยเจับเอาผ้าถุงผู้หญิงไปผ้าบางเนึกว่าเป็นผ้าเนื้อว่าเป็นผ้าดีกว่าเนี่ยเมื่อเขาในวงสั้งผมเขาก็ทวงเอคุณเอาผ้าถุงผู้หญิงมาทำไม ก็เลยอายพักพวกไปไปจับผ้าถุงนั้นป้อมเข้าในตัวอย่างนี้อันนี้ก็แสดงว่าปะปรมากเกินไปก็เลยใน่รู้อันนี้แหละเราต้องพยายามเพราะแม่ปู่ย่าตายายของเราผ้าถุงผู้หญิงเอาไว้ทางนี้ผ้าผู้ชายเอาไว้ข้างนี้บ้านหนูงพ่อเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็ปนกันแล้วดีเนี่ยเครื่องใครเครื่องเราต้อก็น่าดูน่าสมจับก็ไม่หลงลืมกันเลยไม่หลงมันไม่สับสนปนเปนกันเลย ต่อมาเดี๋ยวนี้ก็สับสนปนเปนกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้อะไรก็เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวอ่ารวมเป็นไทยพวกเราหมดนั่งพระเพียบไม่ได้ผู้หญิงเหมือนกันนะอันนี้ไม่ใช่พวกเรานะมามาพูดให้ฟังนะเนี่ยนั่งพระเพียบไม่ได้บางคนก็นั่งเก้าอี้เนี่ยไปยังไนั่งนั่งธรรมดาพื้นไม่ได้เนะี่ยอันนี้หลวงพ่อได้ยินใครเล่าให้ฟังหลวงพ่อจําไม่ได้เจ้าคุณพุทธทาสอยู่ส่วนโมกคนนะั้นฝรั่งมา นั่งนั่งนั่งขัดสมาธินี้ไม่เป็นเนี่ยฝรังเขานั่งเก้าอี้เนี่ยจําเป็นเจ้กขุนพุทธาจําเป็นไม่ให้นั่งเก้าอี้ให้นั่งให้นั่งขุดสมาธิเราเหมือนลองเอาเลยมันนั่งนั่งขุดสมาธิไม่ได้เหมือนเคยนั่งเก้าอี้เนี่ยนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้ก็จะบังคับให้นั่งจําเป็นก็ต้องฝึกขัดใจไปหลายครั้งหลายหนอาจจะนั่งได้แต่หลวงพ่อไม่เห็นเพื่อนเราให้ฟังอันนี้ก็เช่นเดียวกันคนไทยแท้ซืบดําลงวงะกุลดําลิขึ้นมาให้มันได้ พวกเราต้องพยายามฟื้นฟูเอายุคนี้สมัยนี้ถ้าหากไม่อย่างนั้นขนบรรมรำเนียมประเพณีไทยของเราแท้จะหมดไปเมือม่อหมดขนรรมรำเนียมประเพณีของพ่อแม่ปู่ย่าหมดไปควรมเป็นไทยกำหนดไปจริงๆคําว่าควรมเป็นไทยในทีน่นี้ต้องเป็นอิสระฟังกันให้ดีตอนนี้คําว่าอิสระไม่ใช่อยากทําอะไรทําไปตามใจชอบอยากพูดอะไรพูดไปตามใจชอบอันนั้นไม่ใช่คนเป็นไทยอันนั้นเอกควรมเห็นแก่ตัว ความเป็นไทยหมายถึงจิตใจดูเหนือความหลงผิดความเป็นไทยหมายถึงว่าจิตใจสะอาดจิตใจสวาจ่างจิตใจสงบความเป็นไทยหมายถึงจิตใจไม่สมองจิตใจสุดซื้อเบิกบานความเป็นไทยหมายถึงปิศาลาแท้เพราะว่ากิเลสมารบกวนไม่ได้เช่นโทสะโมหะโลภะกิเลสตัณหาอุปาทานมารบกวนไม่ได้จึงความเป็นไทยแท้ความเป็นไทยจึงว่า ไม่เศร้าหมองความเป็นไทยจิ๋วมีความสงบเรียกว่าสันติสันติเขาเรียกว่าความสงบดังนั้นความเป็นไทยก็จะค่อยตามมาตามมาตามมาทีละนิดเพราะเราแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ที่เราแก้ไม่ได้ก็เพราะเราลืมความเป็นไทยไปจับเอาขนมทมเนียมประเพณีใครก็ไม่รู้เลยแล่นตามเข้าไปเขาว่าอันนั้นดีก็วิ่งไปตามเขาเขาว่าอันนั้นดีก็วิ่งไปตามเขาผลที่สุดผล ที่มันดีปู่ยาตายาเัาสอนให้ก็เลยลืมไปบ่เนี่ถ้าลืมไปแล้วจะไปศึกษาที่ไหนบ่นเนี่ยมันก็เลยไม่มีที่ศึกษาเหมือนกันกันกบศาสน า, าพุทธในประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้มีครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่าขนบธรรมเนียมประเพณีของพุทธศาสนาจริงๆแล้วในประเทศอินเดียก็หมดกันว่าดังนั้นควรมเป็นไทยแท้บนันไดหมึดไปเพราะไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตใจจิตใจของเราเนี่ยทั้งจะทํายังไงก็ตาม เราต้องพยายามให้มันเหนือผมทุกอย่าอยู่ด้วยทุกอยากินด้วยทุกอยานั่งด้วยทุกอย่านอนด้วยทุกเมื่อกินด้วยทุกอยู่ด้วยทุกนั่งด้วยทุกนอนด้วยทุกไปไหนมาไหนไปกับทุกเราจะทํำลายทุกไม่ได้พอทุกมันเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนเราแล้วเมื่อเราอยู่ที่ไหนไม่มีทุกกินที่ไหนไม่มีทุกนอนที่ไหนไม่มีทุกไปไหนไม่มีทุกความไม่มีทุกมันจะปรากฏขึ้นมาเหมือนกับแสงตะเวนนี่ ทีแรกมันต้องมัวมันจะบ้านหลวงพ่อเลยแตเวนจะพ้นพิฟ้าที่เมกวนะ่าสันมันขึ้นมาทีแรกมันอมองไม่เห็นนานๆก็มองขึ้นมองคนขู่คนเขาขึ้นมามันก็มีความสว่างเต็มดวงเมื่อไหนมีความสว่างเต็มดวงก็เหมือนกับจิตใจเราไม่ถูกสปกปรกไม่ถูกขุนมัวไม่เศร้ามองอย่างที่พวกเรานั่งอยู่ที่นี่นนจิตใจไม่สปกปรกจิตใจไม่ขุนมัวจิตใจไม่เศร้ามอง ไม่มีอะไดมาลบ ก, กวนกแต่เป็นบางคนนะแต่หลวงพ่อก็ไม่ไม่ได้มองเห็นจิตใจตัวเองจะรู้ดีจิตใจเราเป็นยังไงนักสนะนี่แหละมันเป็นสมบัติเป็นไทยแท้เป็นอิสระแท้โทสะโมหะโลภะเข้ามาลบ ก, กวุไม่ได้จิตใจเราจะเป็นปกติความปกตินั่นแหละท่านว่าเงียบสงบถ้าหากไม่มีปกติก็ไม่มีเงียบไม่มีสงบเรามาศึกษาของจริงที่ว่าของจริงนั่นนีจากของจริงไปไม่ได้ ของจริงนั้นน่ะศึกษาต้องรู้ไม่ใช่ว่าคนนั้นศึกษาได้คนนี้ศึกษาไม่ได้ศาสนาพุทธจริงจะศึกษาได้ศาสนาคิดศึกษาไม่ได้ไม่อย่างนั้นที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเหมือนกับที่ว่าถามตอนเช้าหรือถามเมื่อไหร่วะคนเกิดมาทุกคนต้องตายตายแน่ทีเดียวอันนี้ก็เหมือนกันทุกคนต้องศึกษาได้ค่าสนใจมันจริงๆแต่ความตายนั่นน่ะสนใจไม่สนใจก็ต้องตายอนี้อันนี้ก็เหมือนกันสนใจไม่สนใจก็มีอยู่แน่ทีเดียว คนท่าโกรธเกลียดจิตใจเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาสิบสองชั่วโมงตายเลยอืตายเลยมันก็มีโอกาสมีจังหวะมาให้เราสบายจากพักหนึ่งแค่เราไม่เคยรู้ว่าโอ้ข่มสบายข่มปกติจิตใจไม่เศร้าหมองจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบเป็นอย่างนี้เราไม่เคยคิดเพราะเรามองออกไปแต่ด้านนอกมองเครืง่งงานเครื่องงานทุกอย่างจริงว่าสอนให้ทุกคนศึกษาตัวเองดีพอแล้ว ไปทําการทํางานอยู่ที่ไหนโดยไม่เดือดร้อนนี่วะอยู่กับโลกไม่เป็นก้างของขอของโลกอยู่เหนือโลกไม่ใช่อยู่บนฟ้าพูดอยู่เหนืออารมณ์พักพวกตำห น, น, น, น, น, นิอยู่เหนืออารมณ์พักพวกสนเสริญคนว่าฉันเรียกว่าอยู่เหนือโลกแค่คนมันย่าอยู่ขี้ดินนีเองไม่ใช่แค่เหาเอะอยู่กัน